ทมเนียมไทยผู้เป็นลูกนะก็ย่อมแสดงความเคารพพ่อแม่ด้วยการไหว้หรือบางครั้งก็ด้วยการกราบแต่ว่าพอลูกเนี่ยบวชเป็นพระเนี่ยผู้เป็นแม่หรือผู้เป็นพ่อนี่ก็กราบผู้เป็นลูกนะจะว่าไปแล้วตอนนั้นเนี่ยความเป็นลูกเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนไปนะ เป็นพระส่วนผู้ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยความเป็นพ่อแม่ก็เปลี่ยนไปนะกลายเป็นโยมแล้วก็ตามธรรมเนียมนะโยมก็สิ่งที่สูนสมควรทาคือกราบผู้ที่เป็นพระอันที่มันแสงเห็นนะว่าความเป็นพ่อแม่ความเป็นลูกเนี่ยมันก็แปลเปลี่ยนได้ลูกเนี่ยพอ เข้าพิธีบวชนะเป็นพระทันทีเลยและเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแมนะ่ที่เคยได้รับการกราบการไหว้จากลูกนะก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ที่กราบพระที่อยู่ข้างหน้าทันทีมันก็ ค, คล้ายๆกับลูกน้องนะที่เดินถือกระเป๋าให้เจ้านาย แต่พอลูกน้องนี่มาบวชพระนี่เจ้านายนี่ก็เปลี่ยนสถานะเลยนะหรือเปลี่ยนบทบาทกลายเป็นถือย่ามสะพ้ายย่ามให้กับผู้ที่เป็นพระซึ่งเคยเป็นลูกน้องไอ้ความเป็นเจ้านายความเป็นลูกน้องนี่มันก็จะว่าไปมันก็เป็นแค่สมมุตินะในสาการหนึ่งก็ เรียกว่านี่คือเจ้านายนี่คือลูกน้องแต่พอในอสถานการณ์หนึ่งนะสมมุตินั้นก็เปลี่ยนไปลูกน้องกลายเป็นพระเจ้านายกลายเป็นโยมนะก็สบายบาทนะให้กับพระซึ่งเคยเป็นลูกน้องอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะแน่นอนนะพอพระศึกไป แล้วก็เคารพผู้เป็นพ่อแม่โดยการไหวหรือการกราบเปลี่ยนกลับไปลูกน้องนี่ถ้าว่าผู้เป็นพระนี่ถ้าเก็ดึกไปไปแบบเป็นลูกน้องของเจ้านายก็ก็คงสือกระเป๋าเดินตามหลังลูกน้องเดินตามหลังเจ้านายเช่นเคยอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะซึ่ง เราจะไม่ค่อยได้คิด ก, กันเท่าไหร่นะว่ามันเป็นสิ่งที่มีบทบาทอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาพี่น้องเนี่ยเกิดมานะก็คุ้นเคยกันดีแต่ว่าพักอาศัยคนเราฝากแม่น้ำแต่ต่อมาก็มีการกำหนดหมายว่าเนี่ย ฝั่งหนึ่งเป็นพม่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นไทยคนพี่ที่อยู่ฝั่งเนือกลายเป็นพ่อมาไปคนน้องที่อยู่ฝั่งเหนือกลายเป็นไทยไปความเป็นพ่อมาคู่เป็นไทยมันเกิดขึ้น <Hyd permite> ทันทีที่มีการขีดเส้นพรมแดนนะว่านี้เป็นพม่านี้เป็นไทยไอ้ความเป็นพ่อมาเป็นไทยนี่ก็เป็นสมมุตินะซึ่งที่จีมก็เห็นได้ง่ายนะคนไทยเนี่ยไปอยู่อเมริกา เปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกันนะไอความเป็นไทยก็หายไปกลายเป็นอเมริกันไปซะละท้งต่นที่หน้าตาก็เป็นไทยแล้วก็ภาษาไทยก็พูดชัดแถมนับถือพุทธด้วยนี่เป็นเรื่องสมมุตินะซึ่งมันเลื่อนไหลได้นี่เป็นธรรมชาติของสมมุติเลยในการที่เราจะอยู่ในโลกนี้ได้เนี่ย เราต้องเข้าใจเรื่องสมมุติสมมุติเนี่ยมันมีที่ผลนะต่อชีวิตของเราต่อมุมมองของเรามากสมมติอย่างแรกคือสมมุติเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าว่าอย่างนี้สวยอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้สุภาพอย่างนี้ไม่สุภาพเนี่ยอย่างนี้มีค่าอย่างนี้ไม่มีค่าสมัยหนึ่งน ะ, ะการ ใส่ายกางเกงที่มันมีรอยปุบ ป, ป่ขาดโดยเฉพาะตรงข้อเข่าเนี่ยตรงหัวเข่าเนี่ยถือว่าไม่งามนะถือว่าน่าเกลียดนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นเท่ไปซะแล้ววัยรุ่นหลายคนก็สวมกางเกงแบบนั้นแลละที่มัน ข, ขาดขาดหรือว่า สมัยก่อนการสักยันเนี่ยนะมันถือว่าใครสักยันนี่ดูไม่ดีเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยสักยันแล้วก็นิยมสักยันแม้กระทั่งเป็นผู้หญิงเพราะว่ามันดูเท่ดูสวยในบางที่ที่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าหาว่ายืนค้ำหัวพระหรือยืนค้ำหัวผู้ใหญ่นี่ถือว่าไม่สุภาพ แต่ว่าในบางที่ถือเรื่องธรรมดาสมัยก่อนเนี่ยคำว่ากูมึงเนี่ยมันเป็นคําธรรมดามากเลยแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นคําไม่สุภาพไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้นี่เพราว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็อาจจะหมายถึงเมื่อเร็วๆนี้จนกระทั่งเมื่อห้าหกปีที่แล้วมั้งเพราะเดี๋ยวนี้หลายคนก็ใช้คําว่ากูเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ครูเนี่ยก็รอครูอย่เงี้ยนนี่ก็เป็นเรื่องสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุติเกี่ยวกับคุณค่าซึ่งมันก็เลื่อนหลายแปลเปลี่ยนไปเราก็อยู่กับสมมุติแบบนี้มากทีเดียวนะเช่นค่างเงินเนี่ยไอ้ค่างเงินก็เป็นเรื่องสมมุตินะมันเป็นการกําหนดหมายเอาขึ้นลงนะแล้วแต่เหตุปัจจัย การที่เราให้ค่าว่าเพชรนี่ราคาแพงนะก้อนหินราคาไม่มีคุณค่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องการยอมรับสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสักห้าสิบปีก่อนเนี่ยหินโป่งขามเนี่ยโอ้มันราคาแพงมากเลยนะโป่งขามเนี่ยสักห้าสิบปีที่แล้วใครๆก็สวมแหวนปวงโป่งขามกัน ราคาแพงมากแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีค่าซะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องสมมุตินะ่ะสวยไม่สวยงามไม่งามสุภาาไม่สูผภาเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นนะแต่ว่าบ่อยครั้งคนเราก็ไปติดสมมุติมากแล้วก็ทะเลาะ ก, กันเพราะว่าติดสมมุติ ต, าต่างกันเช่นพ่อแม่ก็นี่ก็จะไม่ไม่ค่อย ยินดีเท่าไหร่นะถ้าลูกแต่งตัวตามทันสมัยตามสมัยนิยมของวัยรุ่นเนี่ยพ่อพ่อแม่บอกว่าเนี่ยลูกแต่งตัวไม่สุภาพแต่ลูกก็บอกว่านี่ก็มันก็สุภาพแล้วน ะ, ะก็ทะเลาะกันเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมอันนี้ก็เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยนะครูอยากให้นักเรียนตัดผมสั้นนะ แต่เด็กก็บอกว่ า, วาเนี่ยนี่ก็เป็นสั้นเลยแต่ครูว่าสั้นแล้วต้องกล่อนทั้งหน่อยก็ทะเลาะกันผู้คนก็ทะเลาะกันในเรื่องของสมมุติที่ติดยึดต่างกันเ็ อ, อย่สมมุติในเรื่องคุณค่าแล้วเนี่ยก็มีสมมุติในเรื่องของสถานภาพนะหรือว่าเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์เนี่ยเจ้านายลูกน้อง พูว่ารัฐมนตรีพวกนี้เป็นเรื่องสมมตินะอันนี้มันเห็นชัดนะเพราะว่ามันเกิดจากการแต่งตั้งนีแล้วก็จะถูกถอดถอนหรือว่าจะออกจากสมมุตินี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราบางทีเราก็เรียกหัวโขนคนไทยพมา่าโรฮิงญาพวกนี้ก็สมมุตินะแต่ว่าพอคนเราเนี่ยติดสมมุติเนี่ย ไม่เข้าใจเรื่องสมมติเนี่มันก็ทะเลาะ ก, กันนะทะเลาะว่าระหว่างไทยกับพมา่าหรือว่าเกิดความเกลียดชังกันเนี่ยเธอคือพอมา่าเธอคือโรฮิญญนยะาก็ต้องดูถูกมองด้วยสายตาที่ดูถูกแต่ถ้าเธอเป็นอเมริกันนี่นะก็มองด้วยความรู้สึกเคารพทั้งที่หน้าตาผิวพันธุ์ก็เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าถือพาสปอร์ตนะ คนละใบคนละประเทศเราทะเลาะกับเรื่องสมมุติกันเยอะนะพุทธคนที่เป็นพุทธหลายคนเนี่ยพอรู้ว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจเกิดความรู้สึกระแวงคนมุสลิมก็อาจจะมองแบบนั้นกับคนที่เป็นพุทธด้วยเหมือนกันทางด้านที่ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่คือเป็นมนุษย์เหมือนกัน เราทะเลาะกันนะเพราะว่าติดสมมุติกันเยอะเลยหรือไม่แล้วก็เป็นทุกข์นะเมื่อสมมติมันแปลเปลี่ยนไปเช่นคนที่เป็นผู้ว่าวันดีคืนนี้ก็กลายเป็นรัษดรเต็มขั้นเนี่ยโอ้ก็มีความทุกข์มากนะบางคนนึกกับติ่มไม่ได้นอนไม่หลับเลยพอกเกษียณ น, นะพ้นจากความเป็นผู้ว่าหรือต้องถอดถัวโขนก็เครียด น, นะ ส่วนนึงก็เพราะว่ามันมีผลประโยชน์ติดมากับสมมุติด้วยนะเช่นถ้าเป็นผู้ว่านี่ก็จะมีอานาจมีบริษัทบริวารห้อมร้อมแต่พอสมมุติหมดไปนะหรือต้องถอดถั่วโคนเนี่ยก็เกิดความทุกข์เพราะไม่มีบริษัทบริวารห้อมร้อไม่มีอํานาจแต่ถึงแม้ไม่มีผลประโยชน์ในลักษณะที่ว่านนะถ้าติดสมมุติเมื่อไหร่ก็ทุกข์นะสมมนาศักนี่ก็เป็นสมมุติเหมือนกัน อย่างที่เขาเรียว่ายศช้างขุนนางพระเนี่ยแต่คนก็ไปติดสมมุติกันมากเนี่พระนี่ทั้ทงท้งที่สอนเรื่องศัจธรรมแต่ว่าก็ไปติดสมมุติคือไปติดเรื่องสมณศักดิ์เยอะยการปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนนึ่งก็เรียกว่าสาระสาคัญเลยนะคือเพื่อให้เขา้าใจว่าสมมุตินี่มันมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องมายา แล้วก็เป็นเรื่องชั่วคราเป็นอ น, นิจจังนะไมื่อจะเป็นสมมุติที่เกี่ยวกคุณค่าหรือสมมุติที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์นั้นคนที่มีปัญญาเนี่ยเมื่อเมื่อเกี่ยวข้องกับสมมุติเนี่ยนะก็เกี่ยวข้องได้ถูกคือใช้เป็นแต่ไม่ยึดติดนะอย่างมีเรื่องเล่า ว, ว่าเนี่ยหลวงพ่อโตเนี่ยท่านได้รับสมณศักดิ์นะเป็นถึงขั้นสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารยนะ์แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ ปฏิบัติตนเนี่ยแตกต่างจากเมื่อครั้งที่ยังเป็นพระธรรมดามีค่าวหนึ่งท่านไปด้านโน้นให้ไปแสดงธรรมที่งานงานบ้านโยมแห่งหนึ่งนะแถวราชบุรณะต้องนั่งเรือเข้าไปนะจากวัดระฆังเนี่ยเข้าไปในแถว เ, นนแวเข้าไปในคลองมะก่อกน้อยแล้วก็้าไปในคลองเล็กคลองน้อยบอกว่าเป็นช่วงน้ําลงนะ เรือนี่ก็ติดไปต่อไม่ได้ลูกศิษย์นี่ก็ต้องลงมาเข็นเรือแต่เข็นก็ไม่ไปนะหลวงพ่อโตก็เลยลงมาช่วยเข็นด้วยนะตอนนั้นท่านก็เอาอพัยดยศไปด้วยนะเอาเข็นเรือกับลูกศิษย์นะคนแถวนั้นพอเห็นก็ตะโกนแล้วสมเด็จ เ, เ, เ, เข็นเรือวุอย้ยสมเด็จเข็นเรือว้ยไม่เคยเห็นสมเด็จมาเข็นเรือ หลวงพ่อโตท่านได้ยินท่านก็บอกว่าฉันชื่อโขลโตจะฉันไม่ใช่สมเด็จสมเด็จอยู่ที่เรือนะ่ยท่านชี้ไปที่พัยดยศนะ่ยคือท่านได้รับประธานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จนะแต่ว่าท่านก็ไม่ยึดติดเพราะท่าุว่านี่คือสมมุตินะมันไม่ใช่ของจริงนะอันนี้เรื่อสมมุติในเชิงสถานภาพนะหรืออัตลักษณ์แต่มีสมมุติอีกชนิดหนึ่งนะ อันนี้เนี่ยคนเข้าใจยากสมมุติเรื่องคุณค่าสมมุติเรื่องสถานภาพเนี่ยหรือว่าโคนเนี่ยคนเข้าใจได้ง่ายกว่าว่ามันเป็นของชั่วคราว ม, มันเป็นของที่ไม่เที่ยงมันเป็นแค่การยอมรับร่วมกันอันนี้อาจจะเรียกว่าสมมติบัรจัติก็ได้แมีสมมุติชนิดนึ่งเรียกว่าสมมติสัจจานะ อันนี้คนเข้าใจยากสมมติสัจสมัมมติสัจจาคือความจริงที่ขึ้นต่อการยอมรับของผู้คนนะหรือความจริงที่ถือตามกำหดหมายหรือข้อตกลงของชาวโลกนะชเช่นอะไรนะเช่นคนสัตว์โต๊ะเก้าอี้ต้นไม้รถยนต์เนี่ยพวกนี้สมมุติทั้งนั้นแหละอันนี้มันต่างจาก ค่างเงินนะที่ขึ้นลงหรือว่าความสวยความงามความสุภาพนะที่กำหนดหมายร่วมกันสมมติศสตจ์จารตรงนี้คนเข้าใจยากเพราะว่าคนไม่ได้คิดว่าเป็นสมมุตินะแต่คิดว่ามันเป็นจริงๆเลยเช่นคนเนี่ยคนสัตว์เนี่ยก็คิดว่ามันมีตัวตนที่เป็นคนมันมีตัวตนที่เป็นสัตว์ นะมันมีตัวตนที่เป็นโต๊ะมันมีตัวตนที่เป็นเก้าอี้นั้นเวลาครอจารยตัดว่าหรือครูบาอาจารย์สอนว่าไอ้พวกนี้ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยงงเลยนะมันไม่มีตัวตนที่เป็นสัตว์มันไม่มีตัวตนที่เป็นคนคนสัตว์โต๊เก้าอี้นี่เป็นสมมติเป็นสมมติคือว่า มันเป็นเพียงแค่จะเรียกว่าชื่อเรียกก็ได้นะแต่ว่าตัวตนที่แท้ของมันไม่มีไม่มีตัวสัตว์ไม่มีตัวคนไม่มีตัวเก้าอี้ไม่มีตัวหนังสืออ่านแลวที่เห็นน่ะจับต้องได้เนี่ยมันไม่ใช่หรือมันมีไม่ใช่เหรอมันก็มีนะแต่ว่านั่นไม่ใช่ตัวตน มันเป็นเพียงแค่ชื่อเรียกของสิ่งที่มารวมกันเช่นชิ้นส่วนต่างๆมารวมกันมีตัวถังมีล้อมีเพลามีเบามีกันชนเราก็เรียกสิ่งนั้นว่ารถแต่ตัวตนที่เป็นรถไม่มีพิสูจน์ได้เราไม่มีนะ ก็เวลาถอดเอาล้อเอาเพลาเอาตัวถังเอาพวงมาลัยออกไปเนี่ยออกไปทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยสุดท้ายก็เหลือแต่ความว่างรถเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ชื่อที่ใช้เรียกนะชิ้นส่วนต่างๆที่มาประกอบกันคนสัตว์ก็เหมือนกันนะไอ้ตัวตนหรือตัวสัตว์ตัวคนมันไม่มี คมว่าคนหรือสัตว์นี่ก็ใช้เรียกนะเมื่อเช่นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันหรือว่าเช่นขันห้ามาประกอบเข้าด้วยกันมาประชุมกันก็เรียกว่าคนก็เรียกว่าสัตว์นะแต่ว่าตัวตนหรือตัวสัตว์ตัวคนไม่ไม่มีอย่างที่ พระเถรีเนี่ยท่านหนึ่งท่านได้พูดกับมาร น, นะท่านบอกว่าเนี่ยเมื่อชิ้นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันสมมุติว่ารถก็มีหรือเกิดขึ้นเมื่อขันมาประชุมกันสมมุติว่าคนหรือสัตว์นะก็เกิดขึ้นแต่ท่านบอกว่าเนี่ยในสภาวะของกองสังขารล้วนๆเนี่ย มันไม่มีตัวสัตว์หรือหาตัวสัตว์ไม่เจอหรือเปลี่ยนง่ายๆนะหมู่บ้านเนี่ยนะหมู่บ้านเนี่ ย, น เ, นยเราเรียกหมู่บ้านเพราะอะไรเพราะมันมีบ้านหลายหลังเนี่ยมารวมกัน mm hmm. พอมีบ้านหลายหลังมาสร้างใกล้ๆกันรวมกันแล้วก็เรียกหมู่บ้านแต่ตัวหมู่บ้านไม่มีนะมันมีแต่บ้านแต่และบ้านที่มารวมกัน ว่าหมู่บ้านนี่เป็นแค่สมมุติที่ใช้เรียกบ้านหลายๆหลังมารวมกันแต่ตัวตนที่เป็นบ้านเนี่ยหรือตัวหมู่บ้านเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่บ้านที่มาบ้านแต่ละหลังแต่ลหลังที่มารวมกันแล้วถ้าเราดูให้ละเอียดนะบ้านแต่ละหลังเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีตัวบ้านนะคําว่าบ้านเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ เสาหลังคาฝาพื้นมารวมกันก็เรียกว่าบ้านตัวบ้านจริงๆไม่มีหรือตัวตนที่เป็นบ้านไม่มีเพราะว่าถ้าถอดเอาเสาเอาฝาเอาหลังคานะออกไปมันก็เลยเป็ความว่างเปล่าในตัวเราก็ไม่มีเหมือนกันนะ ลองชื่อว่าตรงไหนเป็นเราเนี่ยลองเชื่อว่าตรงไหนเป็นตัวเราสมมติชี้ตรงนี้นะนี่คือแก้มนะถ้าชี้ตรงนี้นี่คือหน้าผากถ้าชี้ตรงนี้นี่คือหน้าอกหาตัวชี้ชี้ตัวเรานี่ไม่เจอนะเพราะถ้าไม่ใช่หูไม่ใช่หน้าผากไม่ใช่คอไม่ใช่หน้าอกก็อาจจะเป็นคอ เป็นแขนเป็นขาไอ้ทั้งหมดเนี่ยที่มารวมกันเนี่ยเราก็เรียกว่าตัวเราตัวเราที่เป็นแค่ชื่อเรียกของอวัยว่างต่างที่มารวมกันเอาเอวัยว่างต่างออกไปทีละอย่างทีละอย่างก็ไม่เหลือตัวเราทั้งตัวเราเป็นแค่สมมุตินะเป็นสมมุติที่เรียกว่าสมมุติสัจจะโต๊ะเก้าอีก้ก็เหมือนกันกำปั้นเนี่ยนะเอาดูกำปั้นเนี่ย เวลาเราพูดคำว่ากำปั้นเนี่ยเราเชื่อมันมีตัวตนที่เป็นกำปั้นแต่ที่จริงกำปั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่ชื่อเรียกนิ้วทั้งห้าที่มารวมกันนะพอนิ้วทั้งห้านี่ยมารวมกันร่วเข้าหากันแล้วก็เรียกว่ากำปั้นแต่ตัวตนของกำปั้นเนี่ยหรือตัวกำปั้นไม่มีเพราะว่าพอนิ้วแต่ละนิ้วคลายออกไปนะกำปั้นหายไปแล้วนะอันนี้เรียกว่าตัวตนที่เป็นกำปั้นไม่มี แต่มันเป็นแค่คำเรียบหรือคำสมมุตินะที่ใช้เรียบเมื่อนิ้วทั้งห้ารวบเข้าหากันนี่มันเป็นธรรมะหรือความจริงขั้นลึกซึ้งนะซึ่งคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้ยากเพราะเราไปไปหลงติดกสมมุติว่าเป็นความจริงขั้นสูงสุด เมื่อกี้พูดว่าร่างกายเนี่ยนะที่เราเรียกว่าตัวเราที่จริงมันก็ไม่มีตัวตวนที่เป็นเราเนี่ยในกอในขอก็เหมือนกันนะในกอในขอนี่ตัวตวนของในกอในขอมันไม่มีมันเป็นแค่ชื่อเรียบเมื่อขันทั้งห้ามารวมกันเราก็เรียกว่าอันนี้คนสัตว์แล้วเราก็ให้ชื่อว่านี่ในกรนางของแต่ว่าในกอในขอจริงๆไม่มี ตัวตนของนายกรนายขอนี่ไม่มีนายกรนายขอนี่เป็นแค่สมมุตินะที่เราใช้เรียกขันทั้งห้านี่มารวมกันดังนั้นถ้าเข้าใจอย่างเนี้ก็เรียกว่าเข้าใจสมมติสัจจะว่ามันเป็นแค่ความจริงที่ถูกกําหนดหมายแต่ไม่ใช่ความจริงสูงสุดนะความจริงสูงสุดมันก็ สุดท้ายก็มีแต่รูปกับนามหรือว่ามีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่คล้ายๆเรียกว่าคนสัตว์ไอ้ที่ที่เขาเรียกว่าคนสัตว์สิ่งของเนี่ยหรือสัตว์บุคคลเราเขาเนี่ยนะมันเป็นสมมติสัจจานี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเรารู้เพื่ออะไรเรารู้เพื่อจะไม่ยึดติดว่าเป็นตัวตนนะพอทาราไปพอ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะไปยึดว่ามีตัวเราแล้วก็มีของเรา มีนายกนายขอแล้วก็เกิดความยึดติดถือมัน่นเราจึงทุกเนี่ยเวลานายกนายขอตายหรือว่าเวลาคนนั้นคนนี้เนี่ยจากไปเพราะเราไปยึดว่ามันเป็นตัวตนแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นสักแต่ว่าขันห้านะที่สลายไปันถ้าเราเข้าใจเรื่องสมมติสัจจะเนี่ยละ่ะ มันก็ง่ายที่เราจะเข้าถึงปรมาทสัจจะคือความจริงขั้นสูงสุดแล้วก็ทำให้ไม่มีความยึดติดถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราเป็นของเรา <c oughs> เวลามีความเสือ่อมความสลายไปเราก็จะพบว่ามันไม่ใช่แค่การดับอย่างสิ้นเชิงแต่มันเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีความตายนะมันมีแต่การเปลี่ยนสภาพ แล้วมันก็ไม่มีคนตายด้วยนะจริงๆเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งคนทุกข์ด้วยซ้ำนะมันมีแต่ความทุกข์นะแล้วก็รูปที่ทุกข์นามที่ทุกข์แต่ไม่มีคนทุกข์ในที่เราคิดว่าเราทุกข์เราทุกข์เนี่ยเป็นเพราะเราไปติดสมมุติไปลงจุดว่ามีเราแต่ถ้าเราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเรามันมีแต่รูปกับนามมีแต่หรือว่าขันห้า อันนี้แหละนะที่เรกว่าเข้าถึงความจริงขั้นสูงสุดที่ไม่มไ ม, ไม่ไม่ติดอยู่กับสมมุติและเรื่องนี้มันก็ไม่เป็นไม่่ว่าจะต้องคิดเอานะมันคิดเอาไม่ได้เราพูคิดเอายังไงมันก็ยังอยู่แค่ระดับความคิดแต่ว่าใจก็ยังยึดนะจนกว่าเราจะปฏิบัตินะจนกว่าั่งเห็นนะว่ามันไม่มีเรา เช่นเวลาเราเดินจงกรมถ้าเราเดินอย่างมีสติมีความสึกตัวมันก็จะไม่ได้เกิดความสําคัญบรรหมายว่าเราเดินนะแต่มันเห็นรูปกําลังเดินเวลามีความโกรธมันก็ไม่ใช่เราโกรธนะแต่มันแค่ความโกรธที่เกิดขึ้นกับใจถ้าเราเห็นไปว่าเนี่ยมันมีแต่ความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธนะมันมีแต่ความคิดแต่ไม่มีผู้คิดเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มนะถ่ายถอนออกจากความยึดมั่นใน ตัวตนเริ่มที่จะถอนออกมาจากสมมุติสัจจะเริ่มที่จะเข้าใกล้ปรมัาทสัจจะอาการเจริญสติเนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่จะทําให้แยกตัวคนหรือตัวเราออกไปจนเห็นเป็นรูปและนามที่เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามเนี่ยก็คือแยกคนที่เป็นสมมุติเนี่ยออกมาเป็นรูปกับนาม แต่ก่อนนี่มันเห็นแต่คนเห็นแต่เราเห็นแต่เราแต่พอเราเจริญสติมันก็ชําแหละนะหลวงพ่อคําเขียนชว่าทะลุงเนี่ยทะลุงคือแยกคือย่อยจากเดิมที่เป็นเราเป็นรําก็แยกออกมาเป็นรูปกับนามแล้วเราก็เร่ยงที่ก็เรียกว่าแยกรูปแยกนามที่จริงรูปกับนามมันแยกกันอยู่แล้วนะแต่เราไม่เห็นเป็นรูปเป็นนามเราเห็นเป็นคนเป็นเรา แต่พอเราเจเริญสติมันก็เริ่มที่จะเห็นนะว่ามันไม่มีเราทนะํามันมีแต่รูป ก, กับน้ำอันนี้เราเป็นนะเป็นขั้นต้นนะของการที่จะเข้าใจเรื่องสมมติสัจจะเข้าใจคือว่าไม่ยึดติดนะแต่ว่าใช้มันตามควรตามโอกาสแต่ว่าได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่สมมุติเป็นเรื่องการยอมรับเป็นเรื่องของการอ่าสมมุติขึ้นมาเอง แต่ไม่ใช่ความจริงแท้สูงสุดเอาอย่างนี้เพื่อเท่านี้นะขอบคุณครับ